พุ้ดงไปผูเวียงจังหวัดขอนแก่นท่านพระอาจารย์อินกตาปุญโยซึ่งเป็นสิทธิติดตามผุ้ดงกับหลวงปู่ศรีมหาวีโรเล่าการผุ้ดงในระยะนี้ไว้ว่าย่างเข้าฤดูฝนเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2506ได้ลงจากภูเก้ามาอำเภอโนนสังผ่านอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดน้องบัวราพูเดินรอนแรมอาศัยชาวบ้านป่าพิขาจาร์ผ่านเรื่อยมาซึ่งถือว่าไกลมาก มีฝนโปรยปลายตกมาเป็นระยะระยะสิงสาราสัตว์เริ่มจะชุบชุมใช้เวลาเพียงไม่กี่วันก็ทะลุถึงเทือกเขาภูเวียงเดินต่อไปยังวัดป่าภูเวียงอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นจากนั้นเข้าการาบคารวะและพักอยู่กับท่านพระอาจารย์เขมมาปโตติดรุ่นใหญ่ของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตองค์ท่านได้แนะนำหลวงปู่ศรีไว้ว่าให้พวกท่านขึ้นไปภาวนาบนถ้ากวางถ้าพระ เป็นที่สงบสงัดสัปปายะเพราะผมเคยไปอยู่วิเวกภาวนาจำพรรษามาแล้วในปีพุทธศักราช2498ทุกอย่างดีหมดเสียอย่างเดียวมีผีเปรตดุมากเมื่อลุงปุศีมหาวีโรได้ยินคำว่าผีดุเท่านั้นแหละก็ปรารถนาจะขึ้นไปภาวนาบนถ้ำกวางและถ้ำพระใน ท, ทันทีหลังจากนั้นลุงปุษย์จึงเดินทางต่อไปอยังบ้านนนสวรรค์บ้านหินล่อง ขึ้นไปพักท่าพระท่ามกวางเชิงเขาคูเวียงเมื่อท่านมาถึงสถานที่แห่งนี้เกิดความพอใจในสิตป่ายะทำเพราะเป็นสถานที่สงบห่างไกลาจากหมู่บ้านและที่สําคัญจะมีผีเป็นเพื่อนคุยคลายเหงาในเวลาค่ําคืนด้วยขอเล่าเรื่องความเป็นมาของท่ากว่างและท่าพระสถานที่แห่งนี้ห่างจากคูเวียง15กิโลเมตรห่างจากจังหวัดขอนแก่น83กิโลเมตรท่ากว่างตั้งอยู่ทางทิศใต้ของคูเวียง มีสายน้ำจากเทือเขาภูเวียงไหลผ่านมีถ้ำชะ ง, ง่อนผาลานหินลาดโขดหินมีป่าไม้และสัตว์นานาชนิดเช่นเจ้งกวางหมีหมูป่าและเสือเป็นต้นถ้ำพระมีลำธารไหลผ่านภายในถ้ำมีพระพุทธรูปโบราณเหตุที่ชื่อว่าถ้ำพระเพราะในสมัยก่อนมีพระพุทธรูปสัมฤธิ์หลายองค์และพระพุทธรูปแจะสลักด้วยไม้และหินเป็นวัตถุบโบราณที่ล้ำค่านอกจากนี้ ยังมีหนังสือใบลานเก่าแก่หลายฉบับถ้ำแห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่ของชาวภูเวียงในฤดูการทำบุญประเพณีชาวอำเภอภูเวียงนิยมมาทำบุญและสักการะนี้ได้ขาดเมื่อหลวงปู่ศีท่านมาพักอยู่ที่ถ้ำพระนี้ชาวบ้านทั้งหลายต่างก็ดีอกดีใจและวิงวอนท่านว่าท่านอาจารย์โปรดช่วยเมตตาหน่อยช่วยปราบเปรตตัวดูร้าย ที่มักเป็นหลอกหลอนและก่อป่วนชาวบ้านอยู่เสมอมันมักค่อยโหนอยู่บนต้นไม้ให้ชาวบ้านเห็นบ้างเดินลากเท้าไปตามถนนบ้างทําให้ชาวบ้านกลัวกันจนไม่เป็นอันทำมาหากินในตอนเย็นวันนั้นเองท่านนั่งสมาธิพิจารณาธรรมบริเวณหินลาดใต้ต้นลีลาวดีไม่ห่างจากถ้าพระมากนักท่านพิจารณาธรรมดูผีเปรตตัวนั้นว่าพอจะแผ่เมตตาโปรดได้บ้างไหมอีกไม่นานก็มีเสียงค่อยๆ ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามากลายเป็นสายลมพัดวูบๆผ่านต้นไม้แถบนั้นเสียงดังคลืนคืนในที่สุดเปรตนั้นก็แสดงตัวปรากฏในสมาธินิมิตของท่านอย่างประจักษ์ประหนึ่งว่านั่งสนทนากันอย่างคนธรรมดาท่านได้ถามเปรตว่าเจ้าชื่ออะไรที่ต้องมาเกิดเป็นเปรตสวยทุกขเวทนาอันร้ายกาศเห็นป่านนี้เพราะทํากรรมอันใดไว้เปรตนั้นตอบท่านว่าข้าแต่ท่านผู้นิรุตุ ข้าพเจ้าชื่อว่านายพรหมด้วยเหตุที่เท้าข้างหนึ่งของข้าพเจ้าถูกไม้ทับตินแปลคนทั้งหลายจึงเรียกชื่อข้าพเจ้าตามกิริยาที่เดินขาเจและเท้าที่แปลว่านายพรหมตีนแปลส่วนเหตุที่ข้าพเจ้าต้องมาเกิดเป็นเปรตนั้นเพราะว่าในปีพุทธศักราษ2465ข้าพเจ้าและพวกประมาณสิบคนมาขโมยพระพุทธรูปทองสำริดอันเป็นพระประธานภายในธรพระ ก็ข้าพเจ้าพยายามยกพระพุทธรูปจากที่ประดิษฐานแม้จะพยายามช่วยกันยกช่วยกันหามพระพุทธรูปสักเท่าไหร่พระพุทธรูปก็หาขยับขยี้นไม่จะช่วยกันใช้ไม้งัดก็หาเคลื่อนที่ไม่ประหนึ่งว่าเป็นเสาศีลาแท่งทึบพวกเราหมดปัญญาที่จะขโมยออกไปได้จึงได้แต่นั่งทอดถอนใจพวกเราจึงปรึกษากันว่าวันที่เราจะนําทูกเพียนมาจั ก, กระขอขอมาท่านเสียก่อนแล้วอารัสนานิมนต์ท่านไปยังสถานที่อื่น เมื่อพวกเราได้กระทําอย่างนั้นแล้วพระพุทธรูปเคลื่อนที่ไปอย่างง่ายดายถึงพระพุทธรูปจะศักดิ์สิทธิ์ศัก์เพียงใดแต่ด้วยโลภะเจตนาบังตาและกิเลสบางใจอย่างมืดมิดพวกเราก็หายศรัทธาเลื่อมใสและเกรงกลัวต่อบาป ก, กรรมนั้นไม่เมื่อพวกเราหามพระพุทธรูปออกไปนอกเขตเทือกเขาภูเวียงจงได้หยุดอยู่ที่แห่งหนึ่งซึ่งปัจจุบันนี้ชนทั้งหลายเรียกว่าโคกฆ่าพระพวกเราก็แสดงสันดานบาปอยากช้าออกมา ด้วยพากันทำลายองค์พระพุทธรูปด้วยมีดขวานและเลื่อยด้วยหวังว่าจะนำทองจากองค์พระไปขายเพื่อนำเงินไปเลี้ยงชีพถึงแม้พวกเราจะฟันทุบและเลื่อยจากเท่าไหร่พระพุทธรูปนั้นก็หาบุกสลายไปไม่เมื่อพวกเราหมดปัญญาจะเอาทองจากองค์พระไปได้จึงอธิษฐานจิตว่าขอให้ข้าพเจ้าตัดเสียรพระและตัดองค์อวัยวะส่วนต่างๆของพระได้สําเร็จเกิดพวกข้าพเจ้าจะขอเกิดเป็นมนุษย์ชาตินี้ เพียงชาติเดียวเท่านั้นเมื่อสำเร็จคำอธิษฐานในที่สุดก็สามารถทำลายพระพุทธรูปได้ตามใจหวังต่างคนก็ต่างตัดต่างเลื่อยด้วยความสะดวกจึงได้นำทองไปขายแบ่งกันเลี้ยงชีพต่อมาพวกเราทั้งหมดได้ถูกเจ้าหน้าที่จับได้ภายหลังเมื่อพวกข้าพเจ้าสิ้นชีวิตแล้วไปเกิดในอบายภูมิเป็นเปรตเสวยผลกรรมมาเฝ้าถ้าแห่งนี้และเที่ยวหลอกล้อขอส่วนบุญจากชาวบ้านเป็นเนืองนิด ถ้าแต่ท่านผู้ทรงพระทัพระเจ้าลือมกราบเรียนท่านอีกเรื่องหนึ่งว่าเมื่อครั้งเป็นมนุษย์พระเจ้าเป็นคนใจร้ายมักริษยาคนอื่นเห็นคนอื่นมั่งมีเหนือตนก็ไม่พอใจครั้งเห็นคนยากไร้ก็กลับดูแคลนอยากได้ทรัพย์สินของผู้อื่นทําเล่กลหลอกลวงเอาทรัพย์ของคนอื่นมาเป็นของตนทั้งเป็นคนตรนีไม่ยินดีในการให้ทานเห็นคนอื่นเขาให้ทานก็พลอยห้ามปรา姆 ช่อโกงทรัพินที่เป็นของสาธารณะหรือของสงเอามาเป็นของตนด้วยโลภะเจตนาอยู่เสมอด้วยกรรมเหล่านี้เป็นต้นข้าพเจ้าจึงเกิดมาเป็นวิวิทธาเปรตตอนนี้เจ้าได้เสวยกรรมคือทุกขเวทนาอันแสนสาหัสอย่างไรบ้างเล่าให้อตมาฟังด้วยลุงปุษีกล่าวถามด้วยความเมตตาอันหาที่สุดนี้ได้เปรตนายพมปีนแตได้ตอบคาถามด้วยสรีระร่างอันน่าสงสารว่า ข้าพเจ้ามีรูปร่างชั่วศีสระร่างกายผอมโซนักหนาเนื้อและเลือดมิได้มีเลยทั้งร่างมีแต่กระดูกและหนังที่พอจะห้มกระดูกเท่านั้นเพราะไม่มีอาหารจะรับประทานหน้าท้องเหี่ยวติดกระดูกสันหลังดวงตา น, นั้นก็ลึกกลวงดูดถูกเขาแกล้งพักออกผ้าศักด์ชิ้นหนึ่งที่จะปิดร่างกายก็ไม่ได้มีเลยผมก็แสนยาวรุ่มร่ามลงมาปกปากและหน้าเนื้อตัวเหม็นสาบเหม็นสางน่าเกลียดหน้าขยะขยง ต้องร้องไห้โควนครางอย่างน่าเวทนาเพราะความหิวโหอยอาหารหมดเรี่ยวแรงจะไปไหนไหนก็ไม่ได้ก็ได้แต่นอนหงายอิดโรยอยู่อย่างระ ก, ก, กิระกะอย่างที่พระคุณเจ้าเห็นเมื่อเขากล่าวมาถึงตรงนี้ต้องหยุดเพราะความอ่อนล้าหมดเรี่ยวแรงและด้วยพลังกระแสะเมตตาของหลวงปู่ศรีที่แผ่เมตตาให้เขาจึงมีเรี่ยวแรงกล่าวต่อไปอีกว่าหูของข้าพาเจ้าย่อมได้ยินเสียงปรดุจคนมาร้องเรียกแผ่ว ดังแว่วมาแต่ไกลว่าสู่เจ้าทั้งหลายเอ๋ยจงพากันมากินข้าวกินน้ำผู้งเบตรทั้งหลายก็ได้ยินเสียงกำ บ, บรนดาลเช่นนั้นเหมือนกับข้าพเจ้าก็เข้าใจว่ามีข้าวมีน้ําต่างก็ดีใจคิดจะลุกขึ้นแต่ลุกขึ้นไม่ได้เพราะหมดเรี่ยวแรงแล้วก็พยายามลุกขึ้นอย่างแสนลําบากบางตนก็ล้มลงนอนหงายแผ่แต่เสียงเรียกให้ไปกินข้าวกินน้ําก็ยังคงดังแผ่วมากระทบหูอยู่เรื่อยๆ พวกเราจึงอุตส่าห์พยายามเกาะกันล้มลุกล้มหงายในที่สุดก็ลุกขึ้นได้ครั้นลุกขึ้นได้ก็เอามืออันเหี่ยวแห้งพาดขึ้นเหนือหัวชื่นชมยินดีค่อยพยุงร่างกายไปสู่ทิศทางที่ได้ยินเสียงเรียกเร่งไปเร่งหาอยู่ช้านานแต่จากได้ผ่านพบข้าวและน้ำก็หาไม่ได้เลยจึงเสียใจร้องไห้ครวญครางพลางล้มลงเปลือกด้วยความหิวอยู่ณที่นั้นเองในไม่ช้า ก็ได้ยินเสียงเรียกมาเราใจให้พยายามอีกแต่จะได้เจออาหารสักนิดก็หาไม่ได้ได้ยินแต่เสียงร้องเรียกแต่อย่างเดียวถ้าแต่พระคุณเจ้าผู้ประเสริฐพระพระเจ้าต้องเป็นอย่างนี้หลายร้อยหลายพันปีจนกว่าจะสิ้นเวงกรรมเปรตนายพรสมีแฝงกล่าวทั้งน้ำตาที่หลั่งไหลดั่งสายน้ำหลวงปู่ศรีได้กล่าวสอนด้วยเมตตาต่อไปอีกว่าขอให้เจ้าตั้งใจรับส่วนบนที่เราอุทิศให้ลถทิฏฐิมานะ และความดุร้ายลงเสียอย่าไปเที่ยวก่อกวนชาวบ้านเขามันจะเป็นบาปซ้ำกรรมซัดเข้าไปอีกเพียงแค่นี้ก็พอจะช่วยบรรเทาเวรกรรมหลายพันปีลงไปได้บ้างหลังจากองค์หลวงปู่ีท่านโปรดเปรตตนนี้แล้วชาวบ้านก็อยู่กันอย่างสงบสุขใายหวาดกลัวไปบ้างบางคนอัศจรรย์ในคุณธรรมของท่านที่ปราบผีเปรตให้หายพยศสมกับสมยานามของท่านที่ว่าหลวงปู่ีผีย่านอันหมายถึงผีกลัวนั่นเอง Thank you.